สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เราอยู่ในเรื่องราวชีวิตพระเยซูวันนี้มาถึงตอนที่สามนะครับพี่น้องครับผมขอทบทวนศั์ภาษาฮีบรูสิบคาด้วยกันเพื่อที่พี่น้องจะเรียนรู้สัภาษาฮีบรูสิบคานี้เป็นศับที่ได้ใช้เป็นวิถีชีวิตของคนอยู่เวลาที่เราทั้งหลายจะไป ทัศนศึกษาที่ประเทศอิสราเอลนะครับเราก็จะได้รู้จักศับทั้งศั์นี้แต่พี่น้องไม่ต้องเสียดายนะครับหลายๆท่านไม่ได้ไปแต่เราก็สามารถเรียนรู้สับทั้งศับสิบคานี้ได้เหมือนกันครับตอนที่พระเยซูอายุ3ามปีพระเยซูต้องเริ่มใส่เสื้อผ้าที่มีผู้ห้อยที่มุมชายเสื้อซึ่งเป็นเครื่องหมายเตือนใจเด็กชาวยิวทุกคนให้ระลึกถึงบทบัญญัติ เสื้อผ้าที่มีผู้ห้อยนี้ครับคำว่าผู้ครับภาษาฮิบรูเรียกว่าซิทซนะครับซิทแปลว่าผู้ผู้นี้แต่ละผู้จะมีได้แปดเส้นและมีปมห้าปมครับเลขแปดกับเลขห้าครับรวมกันคือสิบสามิทิยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นตัวเลขหกร้อยครับ ห0ร้อยเพราะฉะนั้นหก <600. S 1> ร้อยรวมกับสิบสามก็จะเท่ากับห1ร้อยสิบสามหกร้อยสิบสามนี้เป็นจำนวนของบทบัญญัติในกฎหมายของชาวยิวที่พวกเขาจะต้องถือรักษาไว้คำที่สองก็คือคำว่าเมซูซาครับเมซูซานั้นเป็นกล่องโลหะ ที่แขวนไว้ที่เสาประตูด้านนอกภายในกล่องนั้นก็จะมีม้วนหนังสือเล็กๆบันทึกข้อความเวลาที่คนยิวนะครับจะเข้าบ้านออกบ้านเขาจะต้องเอามือไปแตะกล่องนี้หรือจูบกล่องนี้ก่อนจะเข้าจะออกแลในกล่องนี้นั้นมีภาษาฮิบรูสัพ์ตัวที่สามครับก็คือเป็นม้วนหนังสือ ที่แรก ว, ว่าเชมาเชมานั้นเป็นภาษาฮิบรูปแปลว่าจงฟังบันทึกอยู่ในเฉลยธรรมัญญิบทที่หกข้อสี่ครับเด็กทุกคนนะครับจะได้ยินข้อความนี้ทุกครั้งที่คุณพ่อเข้ามาหรือจะออกไปก็คือเชมายิสราเอลนะครับพี่น้องลองเปิดเข้าไปดูในเฉลยธรรมัญญิบทที่หกข้อที่สี่ครับ ขับคำต่อไปครับตอนที่พระเยซูห้าขวบพระเยซูจะต้องเริ่มเรียนพระกัมภีร์จากคุณพ่อในบ้านและในขณะเดียวกันเด็กชาวยิวห้าปีขึ้นไปจะต้องไปเรียนพระกัมภีร์กับรับใบหรือรับบีนี่เองนี่นคือขับคำที่สี่นะครับเรียนในบ้านคุณพ่อสอนเรียนนอกบ้านรับใบสอน เรียนที่ไหนครับศัพท์ตัวที่ห้าก็คือเรียนที่ซินโนกอกซึ่งแปลว่าธรรมศาลาที่ซินโนกอกนี้เด็กผู้ชายชาวยูวนจะต้องนั่งเป็นครึ่งวงกลมนั่งที่พื้นครับและคอยฟังครูหรือรับใบสอนรับใบจะนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือมานั่งเตี้ยๆในแต่และชั้นนั้นก็มีเด็กไม่เกินยี่สิบห้าคนครับสอนเรียนอ่านท่องจําบทบัญญัติของโมเสส ที่เรเรียกว่าโทรานะครับโทราเป็นศั์คำที่หกครับห้าเล่มแรกของโมเสสนั้นเรียกว่าโทราตั้งแต่ปสมกาลจนกระทั่งถึงเฉลยธรรมัญญาครับตอนที่พระเยซูอายุสิปีคงจะต้องเรียนตำราอีกเล่มหนึ่งครับนอกจากโทราแล้วก็คือมิชนา M I S H N A ครับมิชนานี้เป็นประมวลขนรทมเนียมของคนยิว และคำอธิบายบทบัญญัติก็คือคำขยายความอธิบายนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็นคอมเมนตอรีของโทรานักเรียนที่เก่งๆจะได้เรียนวิชานี้ครับพปเยซูแน่นอนครับต้องเก่งแน่นอนต่อไปครับอายุ12ปีเด็กๆจะได้เข้าสู่พิธีในธรรมศาลาหรือในพระวิหารครับก็เรียกว่า บาหมิสวะพิธีบาหมิสวานั้นจัดไว้สำหรับเด็กผู้ชายชาวยูโดยเฉพาะเป็นพิธีเปลี่ยนผ่านยอมรับจากสังคมชาวยู ว, ว่าบัดนี้เด็กคนนี้ถือว่าเป็นเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วเขาจะได้รับกล่องหนังนะครับซึ่งเป็นกล่องเล็กๆบรรจุข้อพระกรมัมภีชาวยูจะมัดกล่องเล็กๆไว้นี้กล่องเล็กนี้ไว้ที่แขนครับ และที่หน้าผากระหว่างอธิษฐานประจำวันกล่องนี้เรียกว่าเทฟฟิลินเทฟฟิลิน t e f i l i n เทฟฟิลินหรือมีอีกชื่อเรียกว่าไฟ y ล็ทอรี่นะครับ p h y l a c t e r y นะครับไฟเล็ทอรี่ไฟเลทอรี่นี้คือกล่องหนังนะครับสายหนังที่ใช้มัดศีรษะและมัดมือในขณะที่พวกเขา อธิษฐานประจำวันพี่น้องครับและคำสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็คือปัสคานะครับปัสคาหรือแพโอเวอร์เป็นเทศกาลที่ชาวยิวนั้นเขาจะต้องเดินทางนะครับไปที่เยรูซาเล็มเพื่อไปถวายบูชาที่พระวิหารครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งแต่พระเยซูสามขวบจนถึงพระเยซูสิบสองขวบครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่าการนมัสการพระเจ้าการมีชีวิตแบบครอบครัวคนยิวที่ยากจนที่พระเยซูได้เดติบโตขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับครอบครัวของเราในสมัยนี้ด้วยเช่นเดียวกัน หลายหลายครอบครัวขาดพ่อแม่ที่รักพระเจ้าหลายหลายครอบครัวอาจจะมีพ่อแม่รักพระเจ้าคนเดียวพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ลูกหลานของเราจะต้องประสบและเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนั้นจะต้องรับผิดชอบพระเยซูนั้นเรียนพระกรมีตั้งแต่อยุห้าขวบแต่ก่อนหน้านั้นมารีแม่ของพระเยซูจะต้องสอนพระเยซู เมื่อพระเยซูรู้ความวเราเขียนได้ว่าครอบครัวของคนยิวนั้นเขาถือรักษาบทบัญญัติเพราะฉะนั้นเขาไปถึงที่ไหนเขาตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับไม่ว่าจะอพยพไปอยู่ในยุโรปหรือว่าอยู่ในอินเดียหรือแม้กระทั่งอยู่ที่จีนพวกเขาจะรวมตัวกันเป็นชุมชนของชาวยิวสิบครอบครัวก็ตั้งซินกอกหรือสาราธรรม หรือเรียกว่าธรรมศาลาขึ้นมาก็จะมีรับใบซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีความรู้ทางด้านบทบัญญัติของโมเสสเป็นคนสอนอันนี้เ็าเรียกว่าโฮมสกูลครับและนี่เป็นรากฐานการศึกษาตั้งแต่สมัยโบราณที่คนยิวได้รับจากพระเจ้าเราเฉยนะครับว่าคริสเตียนเอดูเคชันหรือคริสเตียนศึกษาใน ครอบครัวของคนยิวนั้นสําคัญที่สุดที่เขารักษาความเชื่อและทําให้เขามีการนมัสการพระเจ้าในครอบครัวนี่คือสิ่งที่สําคัญมากขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในเช้าวันนี้สําหรับผู้นําครอบครั ว, รวผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวที่เราจะดูแลลูกหลานของเราให้อยู่ในทางของพระเจ้าเพื่อที่เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่พลากจากทางนั้นอาเมน